เป็นช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงของเปลนฟ้าอากาศทั่วโลกก็เป็นอรปสรรต่อการปฏิบัติธรรมเหมือนกันบางชนบางกลุ่มก็ตายไปบางคนก็มีชีวิตอยู่อันนี้ก็เราคงจะต้องนะมัดระวังตัวเอาภัยธรรมชาติเริ่มเอาคืนบ้างแล้วหลังจากที่มันถูกทำลายมาอย่างต่อเนื่องธรรมชาติมันก็เริ่มเอามนุษย์คืนบ้าง ดังนั้นเราทั้งหลายก็คงไม่ประมาทด้ยการ <c oughs> ดูแลรักษาตัวเองเ <c oughs> ข้มแข็งเสมอ <c oughs> <c oughs> ในช่วงสองอาทิตย์สามอาทิตย์ที่ผ่านมามาไปทำธุระอยู่ที่เอสเวกัตโตเส็เรียบร้อยด้วยดีแลลุกลึ้ไปรีทรีทกลุ่มของกงศุน ที่อแล้วก็ที่ลาสเวกัสร่วมกันกรมสุขภาพจิตกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กรมทรัพยากรอะไรกรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อะไรสามกระสรงทีเดินมาทำกวดเที่นถ้าเล็งเห็นว่าที่ลาสเวกัสคนมีปัญหาทางด้านจิตใจกันเยอะก็เลยจัดลทขิตร่วมกันก็เลยหลังจากเสร็จลิขิตแล้วก็ตั้งชมรมคนรักสุขภาพขึ้นมา รวมกันเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพซึ่งกันและกันทั้งสุขภาพกายและคือสุขภาพจิตมีการประเมินสุขภาพ <c oughs> ด้วยนะ <c oughs> แต่ละคนนี่ประเมินด้วยข้อประเมิอนอยู่สี่สิบข้อแต่กูด้วยในคนประมาณห้าสิบคนเอามาขาดัดเอามาผิดอยู่สองข้อนะที่เขาบอกเขาต้องไปทํา สี่สิบข้อมาผันสี่สิบแปดเอ่อสี่สิบข้อมาผ่านสามสิบแปข้อพอยู่สองข้อข้อหนึ่ ง, งเรื่องไอแคลเซียมบอกว่าเล็บเขาสังเกตเล็บแตกเล็บหกักเล็บผุงานนี้แคลเซียมน้อยไปอันที่สองบอกว่าฉันน้ำไม่ถึงวันละแดลิตรฉันวันละสามลิตรถึงห้าลิตรแค่นั้นเองทำให้ผิวแห้งครนะถึงลิตรเพื่ออะไ อแก้วเอแก้วเหอมาฟังฝีดิแปดแปดลิตรแปดแก้วรยอะไปอลิตรเหลอแปดแก้วแปดแก้วปดยนลิเยอะนะคอ้มันถ้าไรมาว่ามันค่ดเป็นลิตรนะแแก้วนะสามลิตรถึงห้าลิตรแก้วใหญ่นี่นะก็ะบอกผิวแห้งแล้วก็ทาให้แร้อนอากาศมัน อาจจะต้องแตกลิบอย่างทั้งหมดแตกลิบเนี่ยที่นั่นอากาศมันแห้งมากนะเยอะเยอะนะตอนก็เลยได้สุขภาพดีที่สุดในกลุ่มนะก็ทั voilà ้งนี้ด้ยการมาศึกษาเรื่องธรรมะเนี่ยช่วยให้เราศึกษาสุขภาพไปด้วยสมัยแรกเราก็เน้นแต่เรื่องจิตเพียงเดียวแล้วก็พยายามดูแลเรื่องจิตทีต่อมา ก็ศึกษาธรรมะมากขึ้นธรรมะหลายข้อที่เร า, าข้องใจว่าทำํำย่อมรักษาผู้ประพฤติทำเป็นนิธิธรรมันเจลิธรแล้วธรรมปิติสุขังเสติแล้วก็ธรรมันเจลิสุจริตังธรมโมสุจิโ น, โนสุขมหะสุขมาวาหาติทําแล้วย่อมรักษาผู้ประพฤติทำเป็นนิดิเออเราก็ประพฤติทำทําไมเราจรึงสุขภาพไม่ดีอะ แสดงว่าเรายังประพฤติทำไม่ไม่ถูกสิเราก็เริ่มสงสัยถ้าทําในที่นี้หมายถึงทั้งรูปธรรมนามธรรมไม่ใช่รักษานามธรรมอย่างเดียวต้องรักษาลูกธรรมด้วยก็าทำเก็ต้องรักษาเราด้วยก็มาศึกษาทางด้านจิตของเรานั้นด้วยการรักษาว่าให้มันเป็นจิตที่ว่างเมื่อใดรักษาจิตให้ว่างได้โลกทางจิตก็จะไม่มีอแต่นี่จะทำไงให้จิตมันว่าง ว่างจากอะไรว่างจากความคิดปูงแต่งก็ให้มันจิตไม่มีความรู้มันว่างจากความคิดแต่มันไม่ให้ว่างจากความรู้คือรู้ในที่นี้คือรู้สึกตัวนะไม่ใช่รู้ในเรื่องความรู้ถ้ารู้ในเรื่องความรู้ที่มาจากความคิดเนี่ยก็จะทำให้จิตไม่ว่างไม่ว่าสิ่งนั้นจะรู้ดีรู้ชั่วก็ต่างทำให้จิตไม่ว่างแต่ให้จิตมีความรู้สึดตัว ความรู้สึกตัวนี้มันเป็นเขายมนโนเลิกสามันสำนึกที่ทุกคนมีอยู่แล้วโดยสามันสำนึกเนี่ยอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรไม่ควรทุกคนมันมีอยู่แล้วสิ่งนี้ไม่ต้องคิดมันก็มีเด็กๆมันก็มีในลักษณะที่ความรู้ดั้งเดิมให้มีความรู้ประเภทนี้รู้ที่เป็นสามันสำนึกทีนี้การที่เราจะรักษาจิตให้ว่างจากความคิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนะ น, นะจะให้มันเกิดเองนี่ไม่ได้ พเราถูกพ่อคุณความรู้มาตลอดความรู้นั้นเป็นคุณต่อการดำรงชีวิตเป็นคุณต่อการอยู่ร่วมกับสังคมเขาเรียกว่าความรู้ที่เป็นาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีเป็นกฎหมายเป็นศิลธรรมความรู้เหล่า น, นี้เป็นคุณต่อการดำรงชีวิตร่วมกันแต่ว่าความรู้เหล่านี้กลบวว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรมนะ เพราะาอะไรเพราะว่าความรู้เหล่านี้มันไปสร้างอิโก้ให้กับเราสร้างอัตตาให้กับเราเช่นเราเป็นคนมีวัฒนธรรมดีไปเจอคนมีวัฒนธรรมต่ำกว่าเราแล้วก็เกิดอิโก้เกิดการดูถูกดูหมิ่นเหยียดยามเรามีความรู้ดีเราไปเจอคนที่ความรู้ด้ยอยกว่าเราเราก็เกิดความดูหมิ่นเหยียดยาำเราไปเจอเราเป็นคนมีความสะอาดมีมาตรฐานสูง ไปเจอคนที่มาตรฐานตำ่ำไม่สะอาดแล้วก็เกิดอีกูขึ้นมานความรู้เหล่านี้ที่มันเป็นพิดภัภยก็ตรงนี้เองเพราะมันสร้างความเปรียดขึ้นมามันจึงเป็นเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรมแต่ว่าเป็นคุณต่อการดำรงชีวิตก็จริง น, นั้นเราจำเป็นยกระดับความรู้ที่เป็นทางด้านศิลธรรมวัฒนธรรมประเพณีปัญญา จิตวิยาเหล่านี้ยกระดับความรู้เหล่านี้ขึ้นมาเป็นความรู้ที่เป็นปัญญายาณนะคือเอาความรู้เหล่านี้มาชำระอีกทีหนึง่งชำระออกเอาเอาอีกโก้ออกไปให้มันเหลือเป็นความรู้ล้วนๆนะฮะซึ่งตัวนี้คือความยากของมันนะฮะเราจึงมาสร้างความรู้สึกตัวล้วนๆขึ้นมาเพื่อที่จะไปชำระตัวอัตตาหรือตัวอีกโก้ออกจากความรู้ดั้งเดิมของเรา ที่ชาระอย่างไรก็ชาระตรงที่ว่าเมื่อใจของเราเนี่ยมันไปนรักษาความรู้ที่เป็นสมมติมันจะต้องโหนไว้ด้วยการจดจำด้วยการคิดคํหนึ่งด้วยการองแต่งด้วยการเข้าไปยึดเอาไว้มันก็เลยกลายเป็นตัวอัตตา แต่เมื่อจเจริญปัญญาจเจริญวิปัสนาญาณแล้วนี่เรามาสร้างไม่ใช่สร้างอะเรามามาให้กําลังความรู้อีกประเภทหนึ่งคือความรู้ที่เป็นธรรมชาติเรียวความรู้สึกตัวเนี่ยให้มันมีกําลังจิตเนี่ยมันไปอาศัยความรู้ที่เป็นสมมุติเนี่ยจิตตัวนั้นมันก็ไม่เที่ยงเพราะจิตที่มันขึ้นอยู่กับสมมติเนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์เขื่อนิจังทุกขังอนัตตา จิตนั้นก็ไม่ที่ยงจิตนั้นก็เป็นทุกข์จิตนั้นก็ไม่มีแก่นสารเพราะอะไรเพราะาสมมติต้องขึ้นอยู่กับหลักฐานประการนั้นนั้นจิตเองจะต้องถูกฝึกฝนให้พ้นจากกฎของสมมติขึ้นมาสู่กฎปรมัติเพราะกฎปรมัตินี้จะไม่ขึ้นอยู่ในหลักของอนิจจังทุกขังอน้ตานั้นก็หมายความว่าพัฒนาจิตที่มันไปยึดติดส ม, มมติเนี่ย ให้มันมารู้จักปรมัตแทนที่มันจะไปพึ่งสมมุติแต่ให้มันมาพึ่งปรมัตแทนที่มันจะไปพึ่งความรู้แต่ให้มันพึ่งความเห็นเห็นการเข้าถึงโดยสภาวะนี่คือภาร ก, กิจของเราในการเจริญนิัพ ส, สนาถ้าเราไม่รู้เป้าหมายอย่างนี้เราก็ไม่รู้เอ้ยเราปฏิบัติไปถึงไหนทำเพื่ออะไรเราไม่รู้เป้าหมายชัดเจนเราก็จะขาดฉันทะขาดความกระตือดือร้ น, นแต่เรารู้อย่างนี้ว่าโอ อ่าที่แล้วมาที่เราทุกคนก็รู้ดีนะแต่ว่าจิตใจทำไมยังเป็นทุกข์อยู่่เพราะความรู้ที่มีอยู่มันเป็นไปตามกฎของใตรักคือมันจะต้องเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่จิตของเราก็ต้องขึ้นขึ้นล ง, ลงลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่มีที่พึ่งถึงแม้เราจะเรียนจบพระพุทธเจ้จบมากกว่าเรานะพระพุทธเจ้าจบความรู้ทั้งโลกถึงสิบแปดศาสตร์สิบแปดด็อกเตอร์ะนะท่านก็ยังทิ้งความรู้เหล่านั้นเลยไอเราคนละด็อกเตอร์สองด็อกเตอร์เยอะมีเหลืออะไรยัต้องทุกข์แน่นอนเลย ิแปดศาสตร์พระ อ, องค์ก็เลยโอ้ไม่ไหวความรู้แบบนี้ทําให้เราแบกแล้วก็เราต้องจําอะความรู้ต่างๆทั้งโลกต้องจําต้องครบโจรต้องพินิจพิจารณาต้องไขหัวนอะไรต่างแบบมันเอาไว้นะนี่พอพระ อ, องค์มาสแสวงหาสัจธรรมตัวใหม่ก็โหพอจะสลัดได้ก็ใช้เวลาถึงหกปีนะทานบอกว่าอายุสิบเก้าพอจะสลัดได้ก็อายุสามสิบห้าเพราะมันคอยแบกความรู้นั้นไว้คือแบกอุปทาน นี่ก็ไปศึกษากับอาจารย์หลายท่านหลายองค์ว่าจะทํำไงถึงจะอถึงจะเข้าถึงให้จิตมันหลุดพ้นออกมาจากความรู้ประเภทนั้นได้อะใไฮก็สอนไม่ได้เพฤาษีชีภัยทั้งหลายก็ได้แต่สะ ก, กดเอาไว้สะ ก, กดความรู้นั้นเอาไว้พอเผลอปั๊บมันก็ขึ้นมาใหม่อีกได้แต่สะ ก, กดให้มันสงบเป็นบางครั้งบางคราวมันไม่สามารถจะหลุดออกไปถ้าวอนได้ พวกนักบวชหรือศีทั้งหลายก็ถูกความรู้เหล่านั้นเล่นงานความรู้คือความคิดปรุงแต่งเ น, นมาเล่นงานพึ่งไม่ได้แต่ว่าก็สลัดมันไม่ได้เพราะมันไม่มีที่พึ่งใหม่แต่พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่านบอกว่าน่าจะมีอะไรที่มันมันมากกว่านี้ในเหนือกว่านี้น่าจะออกมาจากมันได้นะไอ้ความรู้ที่เป็นอัตราทั้งหลายเนี่ยความรู้ทั้งหลายทั้งปวงนี้เราสมมุติชื่อมันว่าอัตราหรือว่าที่เร า, าใช้คําว่าอีโก้นะเราจะทำยังไงถึงจะหลุดรอดจากมันได้ ก็ไปหาอาจารย์ที่ว่าเก่งที่สุดในสมัยนั้นก็เลิกไม่ได้อาลาดาด า, ดาบทอุตการดาบทเก่งที่สุดในสมัยนั้นพอเรียนจดจบความรู้ทั้งสองอาจารย์ก็ยังออกจากความรู้อาตาัตลานี้ไม่ได้อีกในที่สุดพระองค์ก็มาสแสวงด้วยตัวเองด้วยการทรมานตัวเองทรมานตัวเองจนแทบลท้มแทบตายนะอดกั้นลมหายใจบ้างอดข้าวบ้างาไม่ใส่ ไม่แต่งเนื้อแต่งตัวไม่ใส่เสื้อผ้านอนเส้นนอนน้ํานอนกระดินเนี้ยก็ความรู้อย่างนี้มันก็ยังคิดอยู่ดียังปรุงแต่งอยู่ดีเอ๊ะทำอะไรจะออกได้จนกระทั่งวันหนึ่งท่านไปอาบน้ําที่แม่น้ำเลยดันชะาอ่าบแล้วปรากฏว่น้ำหนะ้าแรงนะท่านก็นไม่มีแรงที่จะต้านมาเลยนะน้ํากระแทกท่านกลิ้งไปได้ไปเสดท่านก็จับกิ่งไม้ไปได้ได้สติเลยโอ้โห เนี่ยเราปฏิบัติมาทั้นันนี้แม้แต่แกแสน้ำก็นหน้าแรงขนาดนี้เรายังไม่มีพลังต้านทานมาเลยแล้ไอ้ความรู้ทั้งหลายที่มันจมอยู่ในหัวเรามันมีเป็นพลังมหาศาลเราจะอะไรไปสู้กับมันพลิกจิตเลยเนี่ยออาเอาใหม่มาตั้งสติใหม่ว่าจริงแล้วเนี่ยเราความรู้เหล่านี้มันไม่ได้เกิดทางกายนะเราไปทรมานกายนี้มนไม่ถูกอะมันเกิดจากจิตเพราะฉะนั้นต้องทรมานจิตไม่ใช่ทรมานกายนะ ท่นก็เปลี่ยนใหม่กลับมาทานข้าวทานน้ําบํารุงร่างกายให้เข้มแข็งใหม่แล้วก็พอพร้อมแล้วก็ตั้งท่าดูจิตเลยทีนี่อ้าวตั้งท่าดูมันเลยว่าอะไรมันดูไปดูมาอลูกนี้เขามันสร้างมาแต่กรรมสำเร็จรูปมันแล้วไม่มีปัญหาอะไรพวกฤาษีสีภยัยนักพุนักบวทั้งหลายไปหลงทรมานรูปร่างกายอันนี้พอบอกว่าสาเหตุที่มัน เกิดมีพลังมีราคะโท่สามหามาครอบงเพราะลังกายสมบูรณ์นี่แหละก็ไปหลงทรมานร่างกายแต่ความจริงไม่ใช่คนจริงถ้าจิตไม่ไปดำํำริจิตไม่ไปคิดมันไปยึดมันถือมันจิตไม่ไปสร้างร่างกายนี้ไปทําอะไรไม่ได้เพราะจิตไปสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาราคะก็พอจิตไปสร้างขึ้นมาโท่ศาจิตก็ไปสร้างขึ้นมาโมหะจิตก็ไปสร้างขึ้นมาร่างกายไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยท่านก็เปลี่ยนมา บำรุงร่างกายใหม่แล้วก็พอเข้มแข็งดีแล้วก็ตั้งท่าศึกษาจิตศึกษาไปศึกษาเมาส์จิตนี่ร่างกายที่ชีวิตนี่มันมีแค่ส่วนประกอบหลักๆสองอย่างคือ ก, กายกับใจลูกกับน้ำไอตัวตัวลูกกับน้ำเนี่ยอันไหนเกิดก่อนใครเป็นผู้สร้างใครกันแน่สืบไปสืบไปสืบไปสืบไปสืบไปย้อนไปย้อนว่ากายที่เรานั่งณนะวันนี้เนี่ยเราเกิดมาจากไหน สืบถึงประวัติของมันไปฮิสตอรีของมันว่าเมื่อก่อนย้อนไปตั้งแต่อายุสามสิบห้าย้อนไปตั้งแต่อายุหนึ่งขวบย้อนเข้าไปอีกตั้งแต่อายุหนึ่งเดือนย้อนเข้าไปตั้งแต่อายุหนึ่งวันย้อนเข้าไปอีกตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ตั้งแต่เก้าเดือนเจ็ดเก้าเดือนแปดเดือนหกเดือนหนึ่งเดือนเข้าท้องได้หนึ่งเดือนก่อนที่มันจะคลอดท้องหนึ่งเดื 1, อนจนถึงหนึ่งวันแล้วหนึ่งวันนี้เรามาจากไหนไง ก่อนที่เราจะมาเป็นอะไรเป็นเลือดเป็นไข่อยู่ในท้องแม่เนี่ยมาจากไห น, นย้อนไปอีกย้อนในตรงรเรียกว่าปุเพนิวาสานุติญาณนะถ้าย้อนกลับไปมุนๆๆๆไปอ๋อตอนแรกพ่อกับแม่ก็ไม่ไม่มาอยู่ด้วยกันไอ้เลือดและไข่เนี่ยก็ไม่มาอยู่ด้วยกันนะแต่พ่อแม่เห็นกันนะ่ะพ่อเป็นหนุ่มแม่เป็นสาวก็เห็นกันแล้วพอเห็นกันปับ๊บความประทับใจพ่อตาเห็นรูป พอตาเห็นรูปปั๊บเกิดชอบอ๋อตรงนั้นเราไปเกิดตรงนั้นเกิดตั้งแต่พ่อแม่เห็นกันเป็นหนุ่มสาวเกิดรักชอบกันเพราะจิตที่ชอบของพ่อของแม่นั้นก็ทุกข์ก็เกิดแล้วความรักที่เกิดในใจนี่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์คุณหมอว่านั่นน่ะมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เออที่สิ่งยากเหมือนกันใครว่าความรักที่ตั้งก่อขึ้นในใจครั้งแรกเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ เป็นสุขเยอะนั่นเห็นไหมนี่คือสิ่งลวงขั้งแรกเลยนะใช่เป็นของโลกเป็นอิลูชันอันแรกเลยซึ่งความจริงมันเป็นทุกข์นะแต่ว่าเราเห็นว่าเป็นสุขอย่างกินน้ําพริกกินแกงอร่อยร้อนๆเนี่ยโอ้โหอร่อยแล้วก็เป็นสุขใช่ไหมแต่ความจริงมันทุกขนะ์นะนี่มันซ่อนกันอยู่ตรงนั้นพอตากระทบตาปั๊บในเกิดความชอบขึ้นมาความชอบนั่นแหละคือความทุกข์ เราชอบเพราะมันมีเงื่อนไขเข้าไปปรุงละมันเป็นอินเนชีปรุงขึ้นมาอ๋อเราเกิดตรงนั้นเองพ่อแม่เห็นกันไม่มีสติกําหนดรู้เมื่อตาเห็นไม่พ่อแต่เห็นแม่ก็ว่าเป็นสาวนางศิริมายาสิรมหามายาสาวงามที่สุดในสมัยนั้นพระนางศิริมายาเห็นเจ้าชายจุฑาธนะก็ว่าเป็นเจ้าชายไม่ใช่เห็นรูปเห็นนามแล้วเพราะท่านไม่มีสติอันเนี้ยเขาไปเห็นกันเขาชอบกันเราเกิดตรงที่พ่อแม่ขาดสติ ไอการขาดสติได้เกิดรักเช่ากันมันก็เกิดความทุกข์แน่อเราเกิดมาจากทุกย้อนไปกันอีกอ่ะย้อนพ่อแม่นี่เกิดจากอะไรพ่อแม่ก็เกิดจากพ่อจากแม่ที่ไม่มีสติขาดสติกันมาเป็นช่วงช่วงอ๋อเห็นเพราะฉะนั้นเราทุกหนะาบัดนี้เราเกิดจากความขาดสติของบรรพบุทธทุกคนที่มีเรามาถ้าบรรพุรุษคู่ใดคู่หนึ่งเขามีสติสัมยาปัญญาสามารถรู้เท่าทันขณะที่ตากระทบรูปแล้วมีสติเนี่ยเราจะไม่ได้เกิดมาเลย แต่ที่เราเกิดมาเนี่เพาะเป็นผลพวงของการขาดสติเข า, าบุบูดแล้วสําคัญมันหมายว่ารูปนี้เป็นหญิงเป็นชายรูปนี้สวยไม่สวยแล้วเกิดรักเกิดชอบเกิ ด, กดติดใจขึ้นมาปั๊บเราก็จึงได้เกิดมาโอ๋อเห็นการที่ย้อนและลึกไปอย่างนี้ท่านได้ปุเพนิวาสานุสติยานแต่ในประวัติศาสตร์บอกว่าพระเจ้าสามารถเห็นระลึกชาติของพระองค์ได้เป็นหมื่นชาติแสนชาติตลอดชาตินี้คือท่านหมุนกลับไปอย่างนี้นะ แล้วมีเราเรามีณนะวันนี้เอาความคิดต่อความคิดแต่ทํามันมาเกิดมาเป็นเราได้อ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นความคิดเป็นรูปหรือเป็นนามน ค, ความคิดลักคิดชังเนี่ยเป็นรูปหรือเป็นนามถ้าเป็นนามอย่างเดียวนี่ยังไม่ถูกต้องใช้คําว่าปเป็นนามมารูปอ่า เป็นรูปด้วยที่มันเกิดในฐานะจักนามใช่ไหมเป็นนามรูปแต่นามรูปอาศัยอะไรเกิดอาศัยความไม่รู้ใช่ไหมเพราะไม่รู้สึกตัวไปสร้างความคิดว่าเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมาแต่ถ้าหากว่ามีสติปั๊บมันก็จะเห็นเพียงนามารูปนาม อ, อันนี้เป็นรูปเป็นนามไม่ใช่หญิงใช่ชายแต่พอไม่ทันรู้เท่าทันรูปนามนามรูปมันยังเกิดความคิดก็เกิดใช่ไหม ความคิดตัวนั้นก็เป็นรักเป็นฉันขึ้นมาเป็นดาวเป็นเขาขึ้นมาทันทีแนนเห็นไหมอ๋อนามรูปมันเกิดก่อนแล้วมาสร้างรูปนามนให้เกิดเมื่อนามรูปเกิดปับ๊บอวิชาก็ให้เกิดสังขารใช่ไหมสังขารก็เกิดวิญญาณวิญญาณก็ให้เกิดนา ม, มนรูปมาตดาัาดับเลยแต่วันมันพื้นเร็วมันไวมากแต่ว่าเราเอามาแบ่งเป็นขั้นตอนแล้วเนี่ยนี่พุทธเจ้าท่านเป็นนักวิยทยาศาสตร์ทางด้านนมามธรรมเพราะไม่เพราะรู้ไม่เท่าทันจึงเกิดการปรุงแต่ง พอเกิดการปูแต่งก็เกิดการรับรู้เพราะเกิดการรับรู้จึงกัดเกิดนามรูปตีเกิดนามรูปก็เกิดการกระทบสัมผัสเกิดการสัมผัสเกิดความอยากเมื่อเกิดความอยากก็เกิดความยึดเมื่อเกิดความยึดก็สร้างเรื่องขึ้นมาพอเกิดสร้างเรื่องขึ้นออกมาเป็นอาการชอบหรือไม่ชอบไปกายกรรมวิจีกรรมโนกรรมออกมาแล้วก็เป็นทุกข์เห็นไหมขบวนการเกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ทุกขที่ทุกแห่งทุกคนถ้าไม่มีขบวนการอันนี้เราก็เกิดมาไม่ได้ แต่เนื่องจากเรายังไม่ได้ศึกษาเรื่องวิปาาัสสนาญาณเราจึงรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันกับวิชาที่เกิดในขณะที่มีการกระทบอายตนะทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกระทบกับรูปเสียงกิริร์เราไม่รู้เท่าทันตรงนั้นเราจึงเกิดมาอ๋อท่านก็เลยมาได้ข้อสืบทุกมันเกิดขึ้นทุกเท่านั้นมาตั้งอยู่และทุกเท่านั้ น, นก็ดับไป เมื่อเป็นอย่างนั้นเราจะออกจากตัวนี้ได้อย่างไรอ่าตรงนี้แหละท่านพิจารณาตัวนี้ตั้งแต่หกโมงเย็นถึงตีสองถึงถึงห้าทุ่มนะพิจารณาทุกตนตัวนี้อตัวนี้เราเกิดมาอย่างไรเนี่ยนะเขาเรียกปุเพนิสวาสันทุกตนเขาเลยยามที่หนึ่งใช่ไหมตั้งแต่หกโมงเย็นถึงห้าทุ่มยามที่หนึ่ง ทบทวนตรงนี้ทบทวนไปทบทวนมาเราเกิดมาจากอะไรเราเป็นใครเรามาจากไหนทวนไปทวนมาย้อนขึ้นไปย้อนขึ้นเพราะว่าวลึกชาติได้เป็นหมื่นชาติแสนชาติก็คือย้อนขึ้นไปอย่างนี้แหละย้อนย้ย้อนขึ้นไปจนกระทั่งมันมาจากทาสีนะรูปน้ำน้ำรูมาจากทาสี สีดินน้ำรวมไฟเมื่อก่อนเราไม่ได้อยู่นี้เราก็มาจากดินน้ำรวมไฟเมื่อดินน้ำรลมไฟมารวมตัวกันได้พอเหมาะพอดีปับ๊บขอให้เกิดตัวธาตุอีสองธาตุคืออากาศธาตุและวิญญาณธาตุขึ้นมาเป็นธาตุหกรวมตัวขึ้นมาเป็นรูปเป็นนามรูปนามเพื่อเกิดจากธาตุหกและธาตุหกอันนี้ไม่มีการศึกษาไม่มีการรู้ก็ขอให้เกิดนามมารูปและนามลูปจึงเป็นเชื้อเป็นอัตราตัวใหม่ให้เกิดต่อไปอีกนี่คือ เริ่มต้นพุทธศาสนาอยู่ตรงนั้นคือเข้าไปรู้เข้าไปรู้อาการเมื่อมีนามรูปเกิดมาแล้วด้วยอาการของกรรมนามรูปนี้จะดับได้รูปนามนี้จะไม่เกิดอีกต่อเมื่อไม่มีนามมารูปแต่เมื่อใดถ้าหากว่ารูปนามนี้เกิดมาด้วยแรงแห่งกรรมแล้วถ้ายังมีนามรูปเกิดขึ้นอีกก็จะเป็นเชื้อเป็นซีดให้เกิดต่อไปอีกเขาเรียกว่อาอัตตา นี่ไหมสาวไปสามาเจอดวมันเลยคือดวอัตตาตัวนี้ทีนี้ท่านก็ะึงว่าอ๋ออัตตาเนี่ยถ้าสมมุติทําลายหรือสลัดเอาตัวนามรูปออกได้เนี่ยมันจะได้ตรงเงินข้ามเลยเรียกว่าอ่าเรียกว่าอนัตตาก็ก็ก็กยังไม่ทีเดียวนะเรียกว่าตัวธรรมม า, าต้องทําให้ไปเป็นธรรม อนัตตาตรงข้ามกับไม่ใช่ตรงข้ามกับอัตตานะคนจริงอัตตากับอนัตตาเนี่ยมันอันเดียวกันแต่มันคนละด้านของเหรียญด้วยนั้นเองอัตตาเหรียญหน้าหนึ่งอนัตตาเหรียญหน้าหนึ่งด้วยนั้นเองนะมันอันเดียวกันนะใช่ไหมทีนี้เราจะทํำยังไงอ่ะก็มาเริ่มดูจะดับตรงนี้ได้ยังไงจะดับไอ้ตัวอัตตาหรือตัวนามรูปนี้ได้อย่างไรมันเกิดมาจากไหนอ่าถามก่อน ตัวนามรู้เกิดมาจากตัวปุงแต่งตัวปุงแต่งเกิดมาจากอะไรเพเกิดไม่รู้เท่าทันอ่าสาเหตุเจอแล้วคือตัวไม่รู้เท่าทันเพราะฉะนั้นก็มาสร้างตัวรู้เท่าทันขึ้นมาเท่านั้นเองมันก็จัดการได้ใช่ไหมองค์จับขั้วตรงนี้ปับ๊บเกิดญาณปัญญาขึ้นมาเห็นความเชื่อมต่อระหว่างตัวรู้กับไม่รู้ชนกันอย่างแรงก่อนหน้านี้ไม่รู้เลยนะตรงเนี้พงพิจญณาจากห้าทุ่มถึงตีสอง ท่านเร at. ียกว่าจุตูปปาฏิยานเห็นอาการสปักของระหว่างตัวรู้กับวิสปาักกันอย่างแรงเนี่ยก็เรียกว่าจุตูปปะจุติและอุบัติการดับไปของความไม่รู้กับการเกิดขึ้นความพอมรู้ตัวพอมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นปั๊บตัวไม่รู้อันดับไปทันทีเลยท่านเรียกว่าจุตูปปาฏิยานใช่ไหมพอความรู้สึกตัวขึ้นเกิดขึ้นปั๊บชัดเจนมากๆเนี่ยตัวคิดมันจะดับไปทันทีเลยใช่ไหม เห็นไหมตอนตอนกลางวันเวลาความคิดไหลขึ้นมาพอกระหนุ่รู้ชัดชัดความคิดมันจะหายไปเดี๋ยวพอเอยความคิดเกิดขึ้นมาอีกใช็นไหมนี่คือพอออกมาเจอจุดนี้จุดแตกหักของวัฏสงสารคือตัวรู้เท่าทันนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องตัวอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะอะไรเพราะมันสามารถครอบงําการ เอเกิดการตายการเวียนว่ายในวัฏจักรข ส, สารให้กับมนุษย์อย่างไม่รู้สิ่งม่รจบก็เพราะขาดขวามรู้ตรงนี้เองพยัญชมะรู้ตรงนี้ปั๊บพระองค์ก็ทวนไปทวนมาการเกิดของอะไรเกิดของความรู้รู้สึกตัวอ๋อรู้สึกตัวเกิดในรูปในนามแต่ถ้าเมื่อใดไม่รู้สึกตัวนา ม, มารู้มันเกิดอาตารยมันเกิดทุกคนเกิด แต่เมื่อใดรู้สึกตัวนามมะลุไม่เกิดอัตตาไม่เกิดทุกเกิดไม่ได้จับตรงนี้ได้แม่นยําเลยได้ยานที่สองพอนพิจารณาทุกคนไปทุกคนมาทีนี้เมื่อเรารู้ว่าอัตตาหรือนามมะลุมันเกิดเพราะความไม่รู้เราจะทําไงทําความรู้นี้ให้สมบูรณ์นะก็คลิกในเรื่องของตัวความรู้สึกตัวขึ้นมา เป็นสติสัมปชัญญะพึ่งเกิดขึ้นนั้นก็คือจะต้องทําสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์คือความรู้สึกตัวเนี่ยเพราะความรู้สึกตัวต้องเกิดในในรูปนามก่อนเมื่อความรู้สึกตัวนี้เกิดในรูปนามชัดเจนแล้วมันก็จะเข้าไปกินพื้นที่ของนามรูปที่มันเคยเกิดเองเมื่อนามรูปเมื่อเมื่อรูปนามคือจิตนี้ที่เป็นที่เกิดของนามรูปเมื่อความรู้เข้าไปเกิดแทนที่ แทนที่นามรูปมันจะเกิดก็เกิดไม่ได้ตัวยานปัญญาเข้าไปเกิดแทนตรงนี้เองก็เกิดจุตูปปาฏยานขึ้นมารู้การเกิดดับแล้วเข้าไปพินิพิจนาจากตีสองมาถึงหกโมงเช้าของวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกก่อนพุทธศักราชแปดสิบปีทอง์ได้เห็นความสิ้นไปของอาสวะเรื่ออาสวะขยายายายาที่สาม ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันเป็นอาสวะหรือเป็นสนิมจิตสนิมใจเนี่ยก็เพราะตัวไม่รู้นั่นเองอวิชชาเป็นตัวเป็นสนิมเป็นตัวมลทินอย่างยิ่งนะอวิชชายะมารามันตังเนี่ยในที่สุดก็ก็ทบถวนไปทบถวนมาโอ้พระองค์อิบอมอิบอมอิมในะ ปรากฏว่าพิจารณาทบทวนอยู่ตนนั้นนะไม่ไม่ไปที่ไหนเลยนะทบทวนในสิ่งที่พระองค์ผ่านมาคืนนี้เกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่ความฝันแน่นอนเลยทวนไปทวนมาถึงกี่สัปดาห์รู้ไหมเจ็ดสัปดาห์หลังจากหลังจากเช้าวันขึ้นสิบห้าค่เดือนหกนั่นนะเตาอยู่ต่อตรงนั้นนะถึงสี่สิบเก้าวันใช่ไเขาเรียกวิบูติสุ เจ็ดสัปดาห์นั่งอยู่พิจารณานั้นงเจ็ดวันลุกไปเดินจงกรมอีกเจ็ดวันเดินจงกรมอีกเจ็ดวันเดินจงกรมไมใองต่างอีกเจ็ดวันเจ็ดวั น, วนก็ปรากฏว่าได้ความรู้มหาศาลเกิดที่การทุกทนเหล่านี้เกิดพระพุทธศาสนาขึ้นตรงนั้นนั่นพอนเพราะนั้นจุดแตกหักของวัฏสงสารนั้นคือระหว่างตัวรู้กับตัวไม่รู้เท่านั้นเองมันมาชนกันนะ แล้วก็กลายเป็นศาสนาที่มีความหมายต่อโลกมาจนกระทั่งทุกวันนี้ 2,000 กว่าปีดังนั้นเองเมื่อมาถึงวันนี้ความหมายที่พระองค์ตรัสรู้ในวันนั้นยังเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องเลยตามที่เราได้ศึกษากันมาแต่ว่าด้วยร่วการผ่านเวลามา 2,000 กว่าปี 2,551 บวกอีก45ปีเป็นเท่าไหร่ อีกสี่ปีก็จะครบสามพันปีนะเห็นไอีกสี่ปีผู้ศาสนาก็จะครบสามพันปีตั้งวันที่พุทธิยตาตรัสรู้จะมาถึงนี่สองพันห้าร้อยเก้าสิบหกปีอ่าอีกจะเป็นสองพันหกรอไม่ใช่สามพันปีสหกปเห็นไนะอันนี้คือประวัติศาสตร์ของบุคคลคนหนึ่งสามารถเข้าไปเห็นตรงนี้และ พรอง์ใช้ความพยายามอะไรไหมไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรแต่ใช้ความเข้าใจทำความเข้าใจับบนการใ้สการเกิดนั้นทีนี้มาถึงชั้นเราทำไมจึงมีการทำความเพียรกันเพราะว่าตัวที่เราทำความเพียรนี้เพื่อเพื่อเราต่อสู้กับของเก่าเท่านั้นนะ <c oughs> แต่พระองค์ได้รับความลำบากกับของเก่ามาถึงหกปีอยใช่ไหมนั่นคือความเพียรชนิดหนึ่งแต่เรา มาทําความเพียรนี้เพื่อที่จะสู้ไอ้ความลรู้กเก่าที่เรายึดติดมาเนี่ยไม่ต้องใช้เวลาขนาดนั้นนะย่างพระสาริบุตรเออพระมุคลานะเก่งกว่ากุฎิเจ้าอีกแค่เจ็ดวันใช่ไหมพระสารีบุตรแค่สิบห้าวันนี่คือคนมรรลุชันหลังได้เปรียบฝ้าพอพระองค์บอกชี้ช่องเอาไว้แล้วให้กุญแจเปิดเอาเลยแต่พระองค์กุญแจควานหากุญแจได้ใช้เวลาถึงหกปีพอได้กุญแจแล้วมาปั้งแจกเร็วนั่นเอะ กุญแจนั่นก็คือตัวสติปัญสีนะฮะเราก็ให้วิธีการได้ต่างๆนั้นเราก็มาเจริญสติประัญสีเราก็ได้กุญแจโดยการสร้างตัวรู้อย่าไปอยู่ในตัวคิดนะเฝ้าดูกายเคลื่อนไหวเฝ้าดูใจเป็นผู้เฝ้าดูนี่คือกุญแจมันนะเป็นผู้ดูอย่าเป็นผู้เป็นนี่คือกุญแจมันแต่ถ้าเราเผลอเรื่องอะไรเราไปเป็นทุกทีใช่ไหม เป็นยังไงเป็นกูเป็นความคิดของกูเป็นฉันเป็นของฉันทุกทีแล้วนะอันนี้คือนี่คือเราต้องทําความเพียนเพื่อที่จะมาสร้างตัวตัวผู้ดูเนี่ยให้เข้มแข็งเท่านั้นเองเมื่อใดถ้าตัวผู้ดูเข้มแข็งวันนั้นถือว่าเอลิเทนละเอะ e ลเทเมนละนะเพราะฉะนั้นมามีเรื่องแทรเข้ามานิดนึนงมาไปอ่านหนังสือของโอโชมีเรื่องน่าสนใจมาก คนก่อตั้งลทัทธิยูดายนะชื่อบานเชมแกแกก่อนที่จะรู้ทำเนี่ยแกเดินทางไปไปที่แม่น้ำทุกคืนที่ไอทางที่ผ่านไปที่แม่น้ำเนี่ยมันผ่านบ้านคลิหานของเศรษฐีไอหน้าคลหานเศรษฐีมันจะมีคนยางใช่ไหมเฝ้าดูอยู่ ทีเข้าก็ไปไอ้คนยามก็ดูไอ้คนนี้เขาไปทําไมมาเวลานี้ก็กลับเวลาเนี้ยทุกคืนเลยสมมติไปเวลาห้าทุ่กลับมาตีสามีนะไม่เว้ทีนี้จะอดทนดุนไม่ได้เจ้ก็ตามย่องย่องตามหลังไปดูว่าชายคนนี้ไปทําอะไรปรากฏว่าบันชิมนี่เขก็ไปถึงอหาดทรายนีเก็ไปนั่งอยู่นะพอถึงเวลาเขาก็กลับทีนี้วันที่เป็นเรื่องนี้ก็นายคนยามเนี่ยอดลนทนไม่ได้ พอหลังจากบัญชิมกลับมาจากอ่าแม่น้ำมาถึงที่หน้าบ้านสศรษฐีเกก็ออกไปถามนะเอ๊ะท่านไปทำอะไรของท่านทุกวันเก๋ก็ย้อนถามแล้วท่านอยไปท่านท่านทําหน้าที่อะไรอยู่ตรงนี้ก็ผมเป็นยามเหมือนันเออฉันก็ไปเป็นยามเหมือนกันเอ้ายามอะไรผมเฟ้าบ้านแต่ท่านไปนั่ง่ ผมรู okay. and and so, ้นะผมตามท่านไปดูว uh, ่าืันกันฉันก็รู้เหมือนกันนะแกตามฉันไปแกก็เฉันก็รู้ว่าท่านไปนั่งเฝ้าเป็นยามอะไรแคนั่งบนหัดถ์ทรายไปเฝ้าอะไรแต่ผมยิงเฝ้าบ้านผมยังได้เงินเดือนน่ะจะไม่ท่านไปนั่งเฝ้าอะไรอยู่หัตถทรายบอกผมไปเฝ้าดูตัวเองอ่าผมไปเฝ้าดูตัวเองเอ้าเฝ้าดูยังไงดูใจเพราะนั้นนะเฝ้าดูใจตัวเองว่ามันคิดอะไรเอาทาไมต้องไปดูที่แม่น้ําด้วยล่ะ ที่บ้านก็มีแต่มันไม่ดูอ๋อที่แม่น้ำหรือยามมันคือมันสงบเงียบมากมันจะดูได้ชัดเหมือนนะ่ะ ด, ดูชัดอองั้นผมดูได้ไหมอ๋อได้คำว่ายามมราใช้กับอะไร watch อนะ watchman เจ๊ะไหอันเนี้ยเขาใช้คำ <Watch man. S 1> นี้ฮะ watchman อ่าใช้ watchman I'm watchman คนในภาษาเนี้ยอ่าเขาจะ watchman ยามผมก็เป็นยามเหมือนกันนะ่เราะนั้น ยามของผมเออเอามันยามคุณเป็นยามนเป็นยามต่างกันนะผมเป็นยามของตัวเองแต่คุณเป็นยามของบ้านเศรษฐีคุณเป็นยามไปแตลอชีวิตคุณก็รู้ความจริงไม่ได้แต่ผมเป็นยามตัวเองผมดูใจตัวเองตลอดเวลาเพราะนั้นผมเรียนด้วยได้ไหมได้เพราะงั้นเขาก็แลกเปลี่ยนความรู้กันนั่นคือเป็นยามดูตัวเองคนนี้ต่อมาก็ได้เป็นผู้ก่อตั้งลัฐียูได้ศาสนายูดได้บัญชินซื้อบัญเชิน เพราะนั้นจะเห็นว่าความรู้เหล่าเนี้ยแม้แต่ต่างลัทธิศาสนาก็มีได้นะไม่ใช่ว่าจะต้องเรียนจากพุทแต่รู้ไม่รู้ว่าบันเชมเนี้ยอาจจะเคยอ่านตำราพุทธศาสนามาก่อนก็ได้นะเพราะโพอสนาญยูดาวเกิดขึ้นทีหลังนั้นนการเป็นยามคือเฝ้าดูในสร้างตัวผู้เฝ้าดูวอร์เชอร์ตัวนี้ยให้เข้มแข็งนะแต่ส่วนใหญ่เรากลายเป็นอะไรเรากลายเป็นบิคัมเมอร์ไม่ใช่เป็นวอร์เชอร์เรากลายเป็นบีคัมเมอร์นะกลายเป็นผู้เป็นนะ่ะใช่ไหม การเป็นผ e ู e, ằng, ằng, ằng, nói, ển, là, 2, 2้เป็นเราไม่ใช่เป็นผู้ดูนั้อาการที่เรามาทําเยอะๆเนี่ยเรามาสร้างตัวผู้ดูเราให้เข้มแข็งเท่านั้นเองแต่เมื่อใดเราสร้างตัวผู้ดูได้สําเร็จหมายความว่าเราเข้าสู่กระแสแล้วถ้าดูตัวเองวันหนึ่งได้25เปอร์เซ็นเข้าสู่กระแสวัสดวระบาดใช่ไหมเออไม่ดูบ้างเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนี่ไปเอานะต้องเห็นน้อยน้อยไปก็สักเทนเลยห่าง25เปอร์เซ็นตเนี่ยสักเทนเลยนะดูไปถึงห้าสิบเปอร์เซ็น สัตยห้าสิบอร์เนต์แนวเป็นสกิทาขมีแล้วดูตัวเองเห็นถึงแปดสิเอร์เ็นต์เป็นพระนาขมีแน่นอนเลยเมื่อใดดูตัวเองในร้อยเปอร์เซ็นโอเคคอมพลีตจบกิจขอยในพระศาสนานี้เพราะนั้นเราจึงมาสร้างตัวรู้เนี่ยเพื่อดูตัวเองเท่านั้นนะ <c oughs> เมื่อเมื่อนิยามมันเป็นอย่างนี้ก็เราจะเห็นว่าเราปฏิบัติผู้ศาสนาส่วนใหญ่เราผิดมาตลอดเพราะอะไรเราไปเป็นผู้เป็นสุขใช่ไหม เป็นผู้แสวงหาความสุขเป็นผู้แสวงหาความสบายเป็นผู้แสวงหาเป็นผู้รู้มันคนละเรื่องเลยนะมันก็ทําให้พุทธศาสนาไม่สําเร็จผลเท่าที่ควรในบ้านเราเมืองเราเนี่ยแม้แต่จังหวัดตะนตก็ตามหลังจากที่พระเกจิอาจารย์ของเราหลายๆท่านนํามาสอนต่อๆคนมาเราเพิงรู้ออกพุทธศาสนาที่แท้จริงเป็นอย่างนี้เมื่ออาจารย์หลายๆท่านรู้ตรงกันว่าพูดถึงตรงกันเรื่องของสติ การเฝ้าดูใช่ไหมชั้นหลังมาเรามีครูอาจารย์พูดเรื่องนี้กันมากขึ้นเอหลวงพ่อชาหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อตินน๊ดนั่นหันวันนี้พูดเรื่องสติด้วยกันทั้งนั้นเลยคือเป็นเฝ้าดูแล้วไล่สุนธรรมมาอ่านของโอโชก็พูดเรื่องนี้ชัดเอีกแล้วมันใจว่าอ๋อมันนั้นเรามาสร้างตัวตัวผู้รู้ตัวผู้ดูเท่านั้นเองให้เห็นสุข ก, ก็ให้เห็นมันทุกข์ก็เห็นมันอย่าเป็นมันอย่าเป็นสุขแล้วอย่าเป็นทุกข์ เวลามันง่วงก็อย่าไปเป็นผูง่วงให้เห็นของมง่วงเห็นไหมเห็นว่านี้เห็นของมง่วงไหมมันสงบมันมืดเนี่ยว่ผู้เห็นผู้ผู้ผู้เห็นได้หลกไปไหนไม่รู้เนี่ยเหลือแต่ผู้เป็นนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผู้เป็นนี่เราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ดูเหมือนไม่ยากแต่กลับเป็นเรื่องยากใช่ไหมเพราะอะไรเพราะตัวผู้รู้ของเรายังไม่เข้มแข็งเนี เพราะนั้นเองใครจะนั่งสงบขนาดไหนเนี่ยในพุทธศาสนาไม่ถือเป็นเรื่องอศัศจรรย์เลยนะจะเข้าฌานได้กี่ชัชน้ชนกี่ชึ่งไม่ใช่เรื่องอศัศจรรย์ผู้ที่ย่อธรรมาก่อนหน้านั้นแล้วได้จนฌานเจ็ดฌานแปดหอมเฮินเดินอาการได้แต่ว่าทําลายอัตตามไม่ได้ทําลายตัวนามรูปไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเองมันจึงแยกออกยากเราจึงนับถือพุทธศาสนาแต่ไคร่ปฏิศาสนาฮินดูศา ส, สนาพราหม์เข้าใช่ไหม เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮเดงก็เอามาค็ยถามหลวงพอเทียนว่าเออหึ่งพ่อรู้อย่างนี้มันคนไทยเราจะรู้สักเท่าไหร่ท่าบอกสองเปอร์เซ็นตนะมันทีอาจจะไม่ถึงเนื่อนว่านะที่มารู้ตัวนี้สองเปอร์เซ็นแต่เป็นผู้เป็นได้เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นะมันจึงมีเพราะนั้นเราจึงมาทำกันในกลุ่มเล็กๆ เ, เนี่ยมาทำตัวนี้ให้เข้มแข็งแล้วเราจะรอดพ้นจาก ภยว่ตะสงสารนะเราไอ้ตัวผู้รู้ตัวเนี้มันแก่ไม่เป็นเจ็บไม่เป็นตายไม่เป็นคือตัวปรามัตินั่นเองตัวผู้รู้ตัวนี้คือตัวปรามัติแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะคอยมาตามดึงตัวผู้รู้ให้หลงเขาเรียกว่าโสมมุติคือตัวความคิดแหละตัวสมมุติตัวนั้นะมันมาตามพร่อมเป็นฐานเก่าของมันเราจะเรียกว่าพุทธกับมานบ้างอะไรบ้างเราก็สมมุติมันไปนะนะเรียกมานบ้างแต่ตัวพุทธแท้ๆคือตัวนี้คือผู้ดูนั่นคําว่าพุทธ ผู้รู้พูดถึงผู้บ้านใช่ไหมก็คือดูผู้ดูนั่นเองพุทธเนี่ยศาสนาพุทธคือศาสนาของผู้ผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นไม่ใช่ผู้เป็นผู้มีนะฉะนั้นดึงตรงดัวเลยที่เรียกพุทธศาสนาเนี่ยนะเป็นวอชเชอร์นะนั่นก็จึงอยากจะให้เข้าใจประเด็นนี้ให้ชัดเจนแล้วทีนี้ใครดูได้มากดูได้น้อยก็ขึ้นอยู่ความสามารถละทีนี้วันใครจะดูได้มากกว่านะ เวลาเรานั่งเนี่ยเราปวดขาเนี่ยเราเป็นผู้เป็นแล้วเป็นผู้ดูถ้าเราเป็นผู้เป็นโอ้ยน่าเบื่อปวดขาไม่ไหวคอมเพนในใจแล้วใช่ไหมแต่เราเป็นผู้ดูไปโอ้โหสวยงามเลยเลยน่าจะได้เกิดมากกว่านี้อีน่อยดูว่าไปดูว่าไปเนี่ยมันคนละเรื่องเลยใช่ไหมเพราะงั้นความเจ็บป่วยและความเจ็บป่วยความตายก็เป็นดอกไม้พระหันใช่ไหมแต่ก็เป็นสิ่งชั่วร้ายเป็นนรกของผู้ดูชน คนเรื่องแต่สิ่งเดียวกันแต่คนละคนละคนล ะ, นละมิติเลยนะฮความเจ็บป่วยทรมานเป็นนรกของปุถุชนแต่ก็เป็นดอกไม้ของพระอรหันต์เพราะถ้าจะได้เอาสิ่งนั้นมาเป็นนิมิตของกรรมาฐานนั้นัเองเราก็ต้องฝึกฝนตรงนี้แหละฝึกฝนตัวผู้ดูของเราเนี่ยให้มากไม่ใช่ไปดูตอนที่มันเป็นนะแต่ให้ฝึกการดูเล็กๆลน้อยนี่ไปการลุกการนั่งการย่างการเดินการหยิบการถือการจับการบา ย, ยดูไปเยอะๆดูสิ่งเหล่านี้ย ดูจากท่นี่ไปสั่งสมบทนิสสังสมบาละมีสั่งสมไประยัมเราจะไปดูตอนที่มันเกิดในจิตเลยมันไม่ไหวอะกําลังมันไม่พอเนะพราะฉะนั้นต้องเริ่มดูไปเรื่อยห้องเข้าห้องน้ําห้องส้วมไปอันต่างจนกําลังตัวรู้นี่มันกําลังเช่อแข็งขึ้นแข็งแข็งขึ้นแข็งแข็งขึ้นก็นนทําให้เราไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นได้ทันการขึ้นแล้วมันก็ทันต่อการเกิดดักพออะไรเกิดขึ้นปั๊บไปดูเลย ไม่ใช่เกิดไปตั้งนานแล้วเพิ่งรู้ไม่ใช่นะพอเกิดปั๊บพอความเจ็บปวดขาเกิดปั๊บนั้นเราก็รู้เลยว่าอ๋ออันนี้ไม่ใช่ความเจ็บปวดอันนี้คืออะไรอันนี้จังอ่าอันนี้คือมองเห็นอันนี้จังทันทีไม่ใช่ว่ากูเจ็บนะขากูปวดนะอันนั้นอันนั้นเป็นผู้เป็นแล้วนะในผู้เป็นอ๋ออันนี้อันนี้จังมันก็ต้องมีอะไรตามมาทุกขังใช่ไหมคือปวดขาเสร็จแล้วไอ้ปวดขาเดี๋ยวนี้มันอยู่ได้นานไหม สักพักมันก็เปลี่ยนมัเ น, เนเปลี่นอะไรเป็ี่ น, นอนัตตาเห็นไหมอัตตากับอัตตาเรื่องเดียวกัน่ะแต่เวลาเราเราเราเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นเองนยทนอยู่ไม่ได้ดังนั้นพอเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็าต้องซักซ้อมความรู้เหล่านี้ให้ชํานาญไอการที่ทําให้ชำนิชานาญเนี่ยท่านใช้คําว่า skill skillful เพราะฉะนั้นท่านใช้คำว่ากุศลใช่ไหมในพุทธศาสนาใช้คำว่ากุศลสร้างกุศลขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันชนิชานาญนะ เพราะนั้นในพุทธศาสนาใช้ skillful skillful mind หรือ skillful mind คือจิตทำสิ่งที่รู้ที่ดูที่เห็นให้มันชินชินนานไม่ใช่รู้แล้วทิ้งไปรู้แล้วรู้อีกร้อยครั้งปวดหงมึนครั้งแสนหนดูจนชินชํานานโอเกิดแล้วเกิดอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกเมื่อก่อนตอนใหม่ๆเมื่อว่าฉันเจ็บฉันเจ็บฉันปวดฉันปวดใช่ไหมพอดูบ่อยเข้าบ่อเข้าอ๋อมันไม่ใช่ฉันเจ็บฉันปวดมันเป็นอาการนี่เฉย มันก็เริ่มเอาตัวฉันอ อ, ออกไปเริ่มเอาตัวกลัวออกไปมันมีแต่อาการอาการเจยบเออถ้ามันมีจริงลองพลิกดูดิพอพลิกดูปั๊บเอามันไม่ได้อยู่นี่มันหายไปแล้วนี่ถ้ามันมีจริงมันก็ต้องอยู่ใช่ไหมอันนี้มันใช่ของจริงนี่มันก็เริ่มเห็นความไม่ไม่มีเข้ามเปลี่นหน้ตาตาอ๋ออันนี้คือความเปลี่ยนแปลงเป็นอันอนี้ชางทุกขังหน้ตาตาด้วยการทําความรู้กับของจริงอย่างนี้แหละไม่ต้องไปคิดเอาะไปคิดเอานะ่นไม่ใช่ ต้องต้องทดสอบกับของจริงไอ้ของจริงเพวัะนั้นที่เวลาทำความเพียรถึงให้นั่งนานๆเพื่ออะไรเพื่อจะดูของจริงเจมโอ้เ pues มื่อไหร่หลวงพ่อจะเลิกท sì like enfin ีดเมื่อไหร่จะจะเลิกทีดมันนานแล้วนี่นะวันนั้นถ้าเข้าใจมันจะไม่มีคาว่านานหรือช้านี่นะพะมันจะดูของจริงตลอดนั่นนะแล้วก็ความความเพียรจริงๆมันความเพียรต่อเนี่มันไม่มีคําว่าเวลานะแต่ว่าเราเปลี่ยนกิจกรรมไปเท่านั้นเองเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป ก็ทําให้การปฏิบัติเนี่ยมันรัดสั้นขึ้นในวิธีการเอามาถึงมั่นใจว่าอีการเนี่ยมันไม่พลาดละถ้าก็ติดตามทําให้ชํานิชํนานาญได้ถ้าเราไปทําเรื่องสมาธิทําความสงบมันก็แค่ความสงบหมดความสงบว่าอะไรมันก็ไม่สงบเท่านั้นเองใช่ไหมแต่ไอความเป็นผู้รู้เนี่ยพอ ม, มันไปรู้แล้วว่าไอคําว่าไม่รู้มันไม่มีพอเขาให้รู้จริงๆไม่รู้มันก็ทําให้มันอ่า ย่างยืนเป็นปรมาจิตไปเรื่อยๆตัวรู้เนื้อเข้มแข็งขึ้นชัดเจนขึ้นชำนิชำนานขึ้นชำนิชำนานขึ้นเรื่อยๆยิ่งชำนิชำนานขึ้นชิ่งใช้ได้ไวขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเหมือนก็เล่นคอมพิวเตอร์ไมยเล่นแรกๆแก่ๆกังๆเงืๆงะไปพอเล่นทุกวันทุกวันทุกวันเข้ามันกับชำนิชำนานมากขึ้นยิ่งชำนานมากขึ้นก็ยิ่งใช้ได้มากขึ้นยิ่งใช้ได้มากขึนยิ่งเป็นประโยชน์มากขึ้นไอการดูทุกเห็นทุกเข้าใจทุกกันยิิิ่่่งงงเห็็นนนนนนนทททุุกกกววััััยยใใช้้มาาํดขึ ไม่ยิ่ชำนาในการเดือดรุ่นเราจะกลัวทุกไหมทีนี้ไม่กลัวแล้วเนยไม่กลัวเกิดเพราะเรารู้วงการเกิดคืออะไรไม่กลัวแก่เพราะล่วการแก่คืออะไรไม่กลัวตายเพราะล่วงการตายคืออะไรเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็อยู่เหนือการเกิดการแก่การเจ็บปวดตายคืออยู่เหนือของทุกขเวทนานั่นเองอความหมายเกิดแก่เจ็บตายก็คือทุกขเวทนาเท่านั้นถ้าเราอยู่เหนือทุกขเวทนาได้ก็อยู่เหนือการเกิดแก่เจ็บตายเห็นไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นเองเราก็เลยมั่นใจว่าอวิธีการนี้ไม่ผิดอแล้วก็เห็นชัดเจนทุกวนัวนทุกวันเราก็ทักมันเลยนะอันไหนเกิดขึ้นทักมันเลยว่าอันนี้คืออาการของอะไรรูปนามหรือนามรูปถ้ามันเกิดกับกายเรียกว่ารูปนามถ้ามันเกิดกับจิตเรียกว่านามรูป แต่ถ้ามีสติมารู้เท่าทันทั้งนามรูปและรูปนามเหลือเพียงเป็นตัวปัญญาญาปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็ตักดวงเอาปัญญาไปเรื่อยตัวปัญญานี่ยเขาชํนชนานิชํานาทาให้เราอยู่ในโลกนี้อย่างเป็นผู้รู้มีแสงสว่างละทีเนี้ยมีแสงสว่างข้างในนะคือรู้เท่าทันนั่นเองคือแสงสว่าง ตัวนี้ก็เป็นญาณปัญญาเกิดขึ้นซึ่งต้องทําให้ชำนิชนานาญเรื่อยๆจนในที่สุดทําให้เราอยู่เหนือความคิดและเหนืออารมณ์ตรงนั้นชีวิตของเราก็พอใจละมันไม่ทุกข์ละใช่ไหมต่อไปเราก็แบ่งปันละเกิดกรุณาขึ้นมาเออเพื่อนเรายัางเป็นทุกข์อยู่เยอะอยู่นะอ เ, อเพราอะไรเพรความไม่รู้เท่าั้เองเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้เหมือนเพื่อนเราเนะแล้วก็เอาสิ่งนี้นไปแบ่งปันอุริยะก็ทําอย่างนั้น หลังจากท่านรู้อย่างนี้ทนะ่ก็หามองหาเพื่อนก็มองหาครูก่อนตอนแรกใช่ไหมไอ้ครูสองคนเรานะ่ยยังไม่ไปไหนเลยนะจะไปช่วยท่านหน่อยเอาดูไปดูมาท่านตายไปจะแล้วเอาหรือเพื่อนเรานี่เพื่อนหองค์ใช่ไหมปัญจวัคคียั้งหาเพื่อนอยู่ไหนฮะตามหาเพื่อนแล้วทีนี้ก็ไปหาปัญจ้าขียก็หายหไปเรื่อยๆอย่เงี้ยแหละนั่นเขาเรียกว่การรุ่นหาเกิดขึ้นหลังจาก <c oughs> ทําจิตให้บริสุทธิ์จากนามลูกบริสุทธิ์จากอัตตา ก็มาสร้างปัญญาให้เกิดความฉนิชย์ชำนาญเรียกปัญญาที่คุณใช่ไหมเมื่อเกิดปัญญาแล้วก็เห็นเพื่อนเป็นทุกข์ก็เกิดกรุณาที่คุณคุณของคนที่รู้พุทธะก็มีสามอย่างแค่นี้บริสุทธิ์ที่คุณทําให้จิตเนี่ยบริสุทธิ์จากอัตาตาโดดตดนอยากนา ม, มาลูกซะก่อนเมื่อกี้ของเราบริสุทธิ์จากมารูกสิ่งที่ตามมาปัญญามันเกิดเองทีนี้แเพิ่มมาซักสองตัวปัญญาให้ชฉนิชย์ชำนาญเมื่อเกิดปัญญาที่ชนิชำ น, ชำนาญแล้วมันก็เป็นเครื่องมือในการที่จะช่วยผู้อื่น แล้วก็สามารถที่จะเกิดการุณาที่คุณขึ้นมาได้แค่นี้เองคุณของพระพุทธเจ้าสามประการนี่นั้นเร้จะเห็นว่าเรื่องนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่มากครอบคลุมทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้เราพูดถึงเป้าหมายว่าเรามาทำอะไรถึงเอาเรื่องนี้มากล่าวก่อนเพื่อเราจะได้ไม่สงสัยว่าเราทำอะไรเราไม่ต้องรอเวลาดูตลอดเวลาเลยกล็มารู้ตลอดเวลาเลยลุกนั่งย่างเดินเก็บ ใครเก็บได้มากคนนั้นไปได้ไกลกว่าเพื่อนใครเก็บได้น้อยก็อยู่ที่หลังเพื่อนใช่ไหมเป็นธรรมดาเลยวันนี้ใครไปแต่สินใครไม่ได้เลยแล้วแต่เราจะเก็บได้มากได้น้อยนะทับตาอาปากให้ใจเลร็วใช้ได้คว้าทับที่อยู่ที่นอนท่าไปกําหนดรู้ไปเรืเ่อยๆไอ้การที่เรามาทําร่วมกันนีให้กําลังใจกันเฉยๆแต่เราไปดูจริงๆมันดูตั้งแต่ที่เราอนานน้ํากินข้าวนู่นแหละแต่ถ้าเรายังมีความเคยชินอยู่มากยังมีความหลงลืมอยู่มาก การเก็บมันก็ห่างๆเก็บได้บ้างไม่ได้บ้างไปอยนะแต่ก็ใช้ความพยายามตรงที่เรามานั่งสร้างจังหวะเดินจุกมุมมันจะไปเพิ่มพลังให้กับสติแล้วสติที่เพิ่มพลังเนี่ยมันจะทําเก็บทําให้เราเก็บร า, ายละเอียดได้มากขึ้นแต่ถ้าหากว่าตัวสติสัญญะในรูปแบบที่เราทำเนี่ยมันไม่มีพลังมันก็ไม่เอื้อไปถึงอียบุเล็กอินมวยที่ธรรมดาที่เรามีอยู่ ไหเพราะนั้นมันก็มีความหมายว่าไอการที่เรามาเข้าฤทธิ์ทีาำตามรูปแบบทําเป็นหมู่คณะเพื่อให้เสริมพลังของสติที่เป็นในรูปแบบหลักเอาไว้ก่อนแล้วชีวิตของเราที่มันอยู่นอกฤทธิ์เนี่ยมันมีเยอะใช่ไหมเราก็จะเอาไปใช้ตรงนั้นแหละถ้าหากว่าคนไหนมีพลังของสติสูงกว่าการใช้ชีวิตทั้งหมดนันก็เป็นการสั่งสมตัวรู้แจ้งแต่ละเวลาเลยแล้วความรู้ตรงนี้ก็เกิดมาหาสาล เพราะนั้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราต่อสู้กับมันคืออะไรเห็นหรือยังตัวตานามรูปที่มันฝุดขึ้นมาแทบตลอดเวลาเนะ น, นี่ยมันเนี่ยตัวนี้แหละสนุกเลยแหละถ้าหากว่าเรารู้จักมันนะมันยิ่งเกิดขึ้นเราก็ยิ่งเปลี่ยนมันเป็นเครื่องมือทรานส์ฟอร์มมันทันทีเลยไอ้ทรานส์ฟอร์มตัวนามรูปให้มันเป็นรูปนาม การจะฟองใ้ตัวนำลู้ให้เป็นปัญญาให้ได้นั่นปัญญาก็เกิดมหาศารดังนั้นเองมาเลยไม่แปลกใจว่าความรู้ในแง่ของปรมัติเนี่ยมันจะไม่มีใครสูงใครต่ำถ้าใครสั่งสมได้ก็มันเหมือนกันนะแต่ความรู้ทําโลกยังมีสูงมีตม่ำมีขั้นมีดอนมีปัิยานั่นวิยานี้แต่ในพุทธศาสนาเนี่ยมมีสามขั้นตอนความรู้ตรงนี้ใช้ควาว่ายาตปัิญา คือการกำหนดรู้สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำอันนี้ปริญาที่หนึ่งปริญาที่สองประหารปริยาอันไหนที่มันไม่ดีเกิดขึ้นตัดไปประหารไปทิ้งไปอย่าเอามาคิดอย่ามาปรุงอย่ามาแต่งปริญาที่หนังรู้ในสิ่งที่เรากำลังทำพูดคิดใช่ไหมเทว่ายาดับปริยอันที่สองไอสิ่งที่เรา ทำด้วยความไม่รู้ไม่เท่าทันต้องตัดทันทีตัดความเพลิดออกไปตัดความรู้ออกไปตัดความคิดออกไปนี่เขเรียกประหารน่ะปัญญาอันที่สามตีรณ ะ, ะปัญญาเข้าไปพินิจพิจารณาในสิ่งเหล่านั้นให้ชำนิชำ น, นานนะเรารู้ว่าความเคลื่อนไหวเนี่ยต้องทําให้ชา น, นานรู้ให้ชํา น, นานรู้ซ้ําเข้าไปสร้างจังหวะเนี่ยร้อยครั้งพันหนุ่นมึงครั้งแสนหนุ่นมันทําให้เรารู้อะไร รู้อันเดียวนะฉันไม่ชำ น, นาญในในการความรู้ที่จะให้ชันไม่ชำนาญต้องรู้สิ่งเดียวให้บ่อยๆ อ, อย่างในพุทธศาสนาอย่างส่วนมนต์เนอะแล้วก็วาน้ําโมูกันมาไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนครั้งแล้วก็ว่าดนั้นแหละแต่การที่เรารู้หลายๆอย่างเนี่ยมันมันไม่ทําให้จิตของเราไม่โฟกัสท่านบอกว่าอยาละทำในสิ่งเดียว อ่าอย่าทําอย่ามีความคิดอันที่สองขณะที่ทําอยู่สิ่งเดียวหมายความว่าเรายกมือเนี่ยจี่ของเราก็ ค, คือความคิดคือการยกมือใช่ไหมต่อเมื่อใดเราเผลอคิดในเรื่องอื่นปั๊บเนี่ยมันมีเซคันด์ตอนแล้วมีความคิดที่สองที่สามแล้วใช่ไหมไอ้ความคิดที่หนึ่งจะเลือนทันทีเลยแต่ถ้าเราจะคิดอ๋อตอนนี้คิดแล้วให้รู้อ๋อคิดก็รู้ความคิดชัดๆเพ่งไปอย่างนั้นเลย เขาเรียกว่าเป็นเอกคาตานะเอกาตาก็จะทำให้เกิดกุศลขึ้นมาคนส่วนใหญ่เนี่ยนะทาสิ่งหนึ่งแล้วก็ไปใช้จิตหลายๆอย่างนะใช้จิตทำงานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันมันก็เลยยากตรงนั้นรนั้นไอ้การซ้ำซากอยู่เนี่ยผมเอามาว่ามันดีนะทาอยู่ตรงนั้นมีหลวงตาองค์หนึ่งเป็นหลวงจีนสมาธิวัดอยู่ที่วัดโพแมนนะ สมัยนั้นมาเรียนอยู่มหาจุฬาเนี่ยอาจารย์เสเีนพันธนังรีสอนเรื่องศาสนาเปรียเทียบท่านอยากจะพาไปดูศา ส, สนาสอางฝ่ายมาฮายานบางท่านก็พาไปที่วัดภูเมน่นนี่ไปพบ ก, กับเจ้าอาวาสเนี่ยเจ้าจอาวาสก็นั่งอาตมาที่นี้ก็มีไม้ชิ้นหนึ่งาดดวางอยู่บางขามันก็เหมือนไม้ไม้ไผ่เล่มใหญ่ๆาครึ่งนะแลอวมาวางบนขาแล้วก็ปรากฏว่า ไอหลังไม้ไผ่ที่เนี่ยเกลี้ยงแล้วก็เกลียมเป็นคล้ายๆมันไม่เนี่ยเป็นสีน้ําตาลอ า, อาจารย์เสถียนเนี่ยถามว่าตั้งคำถามว่าอันนี้จะถามนําเพื่อที่ให้นักศึกษาได้ศึกษาว่าคุณเจ้าพอจะบอกได้ไหมความแตกต่างระหว่างเทวรวาสกับมหา ย, ยานชัดๆเนี่ยมันแตกต่างตรงไห น, นไม่ต้องการคําอธิบายมากอืม ท่านก็ตอบทันทีว่าคุณเคยสร้างบ้านไหมเคยคุณสร้างอะไรก่อนรนะหว่างบ้านกับรั้วเนี่เฮ้ยแค่เจ้คาคำถามนี้บอกว่าบางคนสร้างรั้วก่อนครับบางคนก็สร้างบ้านก่อนถ้าเป็นคุณคุณจะสร้างอะไรก่อนผมก็สร้างบ้านก่อนอันนี้คือความแตกต่างของเทรวาตกับมหายานอาจารย์เดิเอาแตกต่างอย่างลรมหายานเนี่ยสร้างบ้านก่อนแต่เทรวาตสร้างรั้วก่อนเพราะ ง, งั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่า เห็นแล้วว่ า, าต้องเรียนตำลาก่อนศึกษาพัฒน์วินัยซะก่อนศึกษาปริยัติไปก่อนศึกษาเรื่องเรื่องไอจะทําบ้านเนี้รอมรัวก่อนนะแต่มหายานน้นศึกษาเรื่องจิตก่อนคือสร้างบ้านนะศึกษาเรื่องจิตทําจิตนี้ให้เป็นที่พึ่งได้ก่อนให้ได้อยู่ได้ก่อนแล้วรู้ว่มีเมื่อไหร่ก็ได้อ่า คำถามที่สองเขาบอกว่าอ้าวพระคุณเจ้าเห็นไม้วางบนตักพระคุณเจ้าเนี่ยพระคุณเจ้ามีไว้เพื่ออะไรอ๋อนี่คือที่ภาวนาะภาวนาก็ฉันนั่งรูปอย่างเงี้ยมายี่สิบกว่าปีแล้วรูปเพื่อแล้วเจริญสติคือท่านไม่ต้องสร้างยาง่ห้อแบบเราท่านก็รูปแค่หลังไม่ไหวไอ้ตรงนั้นรูปมันคงจะล้อนานๆ น, น, นมันเกลี่ยเลยนะเกลี้ยงเลยเกลี่ยเลยทำทุกวันอ่ะนะ ก็ถือว่าท่านเป็นผู้บรรลุธรรมผู้หนึ่งเหมือนกันนะหลวงจีนสมาธิวัดองนั้นดังมากอันมรณภาพแล้วอันเราจะเห็นว่าอาการการเจริญสติตัวรู้เนี่ยต้องทําแบบซ้ำซากอยู่างนั้นแหละเพราะในวันวันหนึ่งอาการของเราก็แค่ซ้ำซากนะยืนเดินนั่งนอนแค่นี้ใช่ไหมแต่เราเคยเข้าไปดูมันแบบซ้ำซากไหมอาการมันซ้ำซากจริงแต่เราเข้าไปดูซ้ำซากก่อนมันไหมส่วนใหญ่แล้วก็ลืมเหมืนะ จิตเราไม่ได้อยู่ที่นี่เลยมองแค่จิตเราไปอยู่ที่ไหนไม่รู้มันไม่ได้มาดูซ้ํากับอาการเคลื่อนกนันไหวเพราะยะนะอาการที่เรายกมือสร้างจังหวะเดินจุกมเพื่อจะให้เรากลับมาดูไอ้ความซ้ำซากของเรียบที่สีให้ชัดเจนอยู่เสมอแล้วปัญญามันเกิดตรงนั้นเองเกิดจากความซ้ําซากตรงนั้นเองนะดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องอ่าว่าขยันหรือขี้เกียจ เรื่องว่าเราต้องการรู้จากตัวเองจริงๆไหมเราต้องสร้างความรู้ให้มันซ้ำซากเอาไว้ให้มันเกิดความชํานาญน่ะสิ่งไหนเราทําซ้ำซากสิ่งนั้นจะเกิดความชํานาญใช่ไหมนะเลขเนี้ยมันจะยากขนาดไหนทํามันไปสักสิบครั้งมันไม่ยากแหละข้อนั้นนะใช่ไหมเหมือนกันนะไอ้เรื่องการดูใจมันยากขนาดไหนก็ดูมันเรื่อยๆร้อยครั้งหมือน้อยครั้งพันหุ่หมื่นครั้งแสนหุนก็ง่ายขึ้นทันทีเลยแต่ที่เราจะขยันดูขนาดนั้นไหมนี่ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเอราจะอยากจะเห็นมันจริงไหม มันก็ให้มาดูของหยาบๆนี่ซะก่อนนะดูมือเนี่ยอยงว่าก็จะทำให้เราปฏิบัติได้ง่ายขึ้นนะโอ้สามทุ่มเลยเนาะอเอาพินไปหน่อย